เธอจะทำอะไรทธอหาใครรู้ตัวบ้งไหมว่าใครที่อยู่ปลายสายใช่คนที่อยากจะคุยให้เวลาเธอร้อนนั่งรอก่อนจะรับสายว่าเธอจะเปลี่ยนใจไหมอย่าลองตัวเองละกันตัดสายฉันไปเลยกดทิ้งฉันไปเลย เลยเธอไม่รักกันหล่อยฉันไว้คนเดียวหากคิดจะทิ้งกันถ้าหมดใจก็จะไปทำไมอยากฟัปล่อยฉันไว้คนเดียวปากแข็งไปเท่านั้นทั้งที่ใจอย่าโทรอย่าคุยทุกวัน